พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองเมษายน2557มีชื่อเรื่องว่ากินไม่เคยอิ่มวันนี้เป็นวันที่สอง มีนาคมพุทธศักราช2005วันที่สองเมษาไม่ใช่มีนาหรอกเอาพูดใหม่มานะพูดใหม่วะพูดเมื่อกี้นะี่งพูดผิดอา้าวถ้ารู้ว่ามันพูดผิดก็พูดใหม่ได้นละใช่ไหมละ่ะคนเราก็เหมือนกันนะ ถ้าว่าตัวเองเดินทางผิดยังดันทูลังไปแบบหัวชนฝานไม่ได้เรื่องว่าตัวเองเดินทางผิดก็ต้องพูดต้องกลับมาใหม่ ม, มีคนบอกคนกล่าวคนเตือนแล้วเราควรจะกลับกลับลอตั้งลาใหม่มันจึงจะถูกกว่านี้เหมือนหลวงพ่อพูดวันนี้เป็นวันที่วันที่สองเมษมีนานมีน า, นนานได้เมษาใช่ไหแต่าพูดไปมันก็ผิดใช่ไ้มล่ะ พูดไปดันไปข้างหน้ามันก็ผิดไปข้างหน้าเลยลูกหลานได้ยินนี่เอ๊ะมันไม่ใช่หน้ามันไม่ใช่หน้ามีไม่ใช่หน้าวันที่สองนั่หลวงพ่อประชุมมันตรงเมษาน่ะเนี่ยมันไปต่อไปลูกหลานไปข้างหน้ามันก็ผิดเพราะเห็นหลวงพ่อพูดผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพอรู้จักว่ามันพูดผิดนี่ยก็ต้องกลับปรับใหม่ใช่ไหมออันนี้เหมือนกันน่ะคนที่ทําผิดจะดันทุลังน่ะไม่ดี คนโบราณเขาให้คติว่าเนี่ยปิ้งปลาหมองอแล้วรีบกลับนี่คือคำขํำเจ็บแล้วจำใส่กระบาลที่ขานไขผิดแล้วแก้กลับตัวเปลี่ยนหัวใจจะหาใครมาวอนถ้าไม่สอนตนอัอนนี้หลวงพ่อกับลาใช่ไหมเนี่ย วันที่สองมีนาเอาใหม่นะที่นี่น้าวันนี้เป็นวันที่สองเมษาพุทธศักราช2557วันนี้ฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนสายสายลงพ่อจะได้ออกไปไปชมเรื่องมูลนิธิมูลนิธิพระอินทวาวสันตุสโก เพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลรักษาสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลอุดรธานีคือในเมื่อพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปรักษาตัว ท, ที่โรงพยาบาลจะเป็นพิกษุสัมมเณรชีไม่เลือกนิกายถ้าเป็นสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะเป็นนิกาย เขมรเราเ ว, วียดนามที่เบตพม่าสีลังกาที่ไหนก็ตาม้ามาเจ็บใครได้ป่วยในเขตอุดรเมื่อเข้ามารักษาไม่มีใครไม่มีเงินไม่มีใครรักษาก็ใช้ทุนนิูนนิธิของหลวงพ่อได้เนี่ยวันนี้จะไปเข้าประชุมแล้วก็ ขออนุญาตตั้งมูลนิธิได้มาแล้วตั้งแต่วันที่28มีนานะศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้มาแล้วกับ ว, วันที่สองเมษาก็ประชุมคณะกรรมการะนะท่านี่สิบห้าท่านพระห้ารูปแล้วก็โยมภายนอกหกคนแล้วก็โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสี่คนแต่หลวงพ่อบอกว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอาสักสี่คนก็น่าจะพอเพราะว่าเป็นผู้วางแผนในการใช้จ่ายมูลนิธิแต่โยมข้างนอกเอาหกคนเพื่อเป็นกำลังเพื่อจะได้หาทุนช่วยๆกันหาทุนเข้ามามูลนิธิแต่ส่วนพระสงฆ์ห้ารูปก็เป็นหน้าที่ เออเป็นหลักยืนหลักก็ว่ามองดูมูลนิธินี่ใช้เป็นธรรมไหมถูกต้องไหมไปใช้ไปสมเหตุสมผลไหมคือพระสงฆ์ทั้งห้ารูปเนี่ยหลวงหลวงพ่อเป็นประธานเนี่ยก็จะได้ดูมูลนิธิไปในทางที่ถูกต้องอย่างไรแค่ไหนแต่วันนี้เมื่อเราประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะมี การตั้งมูลนิธิคล้ายๆว่าเอาเงินเข้าไปมูลนิธิอันอันดับแรกก็คือตกลงกันว่าหนึ่งล้านบาทมูลนิธิหนึ่งล้านบาทคือจดทะเบียนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาทคือเงินจดทะเบียนนี้ในเมื่อธนาคาร ล, ล้มรือวมธนาคารไม่ได้ไม่ได้ดำเนินการหรือมีอุปสรรค เงินหนึ่งล้านเนี่ยก็เป็นของหลวงเป็นเข้าเป็นของรัฐบาลแต่ท่านี้เมื่อเราจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ย้เงินจํานวนอื่นก็จะเข้าไปอีกเลยเข้าไปเพื่อบริหารมูลนิธิจะเป็นมากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนั้นแปลว่าเราจะต้องใช้จ่ายในมูลนิธิของเราเมื่อพระเนนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือชีเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างที่มีกฎ เกณฑ์ที่เราตั้งเอาไว้ว่าจะครอบคุมใช้ใจ่ายอย่างไรบ้างกระตรงมีในตัวหนังสือทั้งหมดมีกฎกติกาการเบิกจ่ายต้องมีขั้นตอนเดี๋ยวนี้ในชื่อของบัญชีมีอยู่ทั้งหมด6คนนะหลวงพ่อชื่อไว้6คนสําหรับบัญชีนี้แต่พอสั่งจ่ายจริงก็หนึ่งหนึ่งในสาหนึ่งในสาม แต่หนึ่งในสมนี้แต่ต้องมีหลว ง, งพ่อองค์หนึ่งหลวงพ่อเนี่ยต้องเป็นหลักองค์หนึ่งเป็นผู้ดูแลบัญชีถ้าหลวงพ่อไม่เซ็นให้แปลว่าใครจะเซ็นทะแทนไม่ได้ในหกคนนั้นแต่ในหกคนนั้นถ้าหลวงพ่อจะเรียกใครเข้ามาเป็นคนที่สองที่สก็ได้นี่แหละอันนี้ก็คือ เราจะเบิกเปิดบัญชีไว้สาบัญชีสําหรับดูแลพระสงฆ์บัญชีหนึ่งคือบัญชีหลักคือฝากประจําบัญชีที่สองบัญชีรองรับบัญชีที่สเป็นบัญชีที่เอาไปมอบให้ไว้ในโรงพยาบาลหลวงพ่อก็จะเซ็นให้เซ็นลอยให้ผู้ที่ไว้เนื้อเชื่อใจแต่เดีนี้หลวงพ่อจะเซ็นลอยให้ท่านนายอำเภอณิคมที่เป็นโคศก ในวัดของเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์เคยบวชที่วัดของเราหลวงพ่อเองเชื่อใจไว้เนื้อเชื่อใจแต่ก็ก้อนนี้ก็ไม่ใช่ก้อนใหญ่ก้อนเล็กเอาคือใช้ในหน้างานทํามันขาดเหลือจะค่อยโอนไปแล้วก็เบิกใช้ในหน้างานเป็นระยะระยะนี่แหละคือการบริหารหมูลนิธิหลวงพ่อก็ได้วางแผนไว้อยู่เพราะ ไม่อยากจะให้คําว่ารั่วรั่วไหลแตกซึม เ, เป็นที่ตำหนิติฉินดินทาของคู่คนทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาเมื่ อ, อได้ยินข่าวว่ามูลนิธิของหลวงพ่อเนี่ยโอ้เออเละตุ่มเปะรั่วไหลแตกซึมหลวงพ่อก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะต้องวางแผนจุดนี้เพื่อจะให้มันไหลไปสู่จุดหมายหรือว่าไปสู่ ประสงค์ที่พวกเรามีความตั้งใจจะให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามากที่สุดเนี่ยวันนี้จะได้เข้าไปหารือในรายละเอียด เ, ยเรื่องดูแลพระสงฆ์อาพาธในโรงพยาบาลแต่ก่อนมีไหมไม่มีพูดว่าไม่มีในโรงพยาบาลที่จะดูแลพระสงฆ์แต่ศรีนคริน มีก่อนหน้านี้ก็คือทุนนิธิของหลวงปู่เทศเทศรังสีวัฒน์หินมะเป่งเจ้ากับหลวงพ่อทูลที่ท่านไปจะตั้งเอาไว้ดูแลพระสงฆ์แต่เงินก็ไม่มากในคราวนั้นก็ก่อนิมนต์หลวงพ่อเข้าไปหลวงพ่อก็เห็นว่าเกิดประโยชน์หลวงพ่อก็เข้าไปพอเข้าไปก็ไปทอดผ้าป่าครั้งแรกแต่ก่อนก็ได้ใช้เงินเพียงสีห้าหมื่น แต่ละปีไม่ถึงแสนเพราะเงินมันน้อยพอต่อมาก็พอคณะหลวงพ่อเข้าไปก็ น, นำครูบาอาจารย์พระสงฆ์เข้าไปไปทอดผ้าป่าก็รู้สึกว่าครั้งแรกขาวนั้นได้เงินถ้าจำไม่ผิดนั้นประมาณ0 0แสนกว่าบาทเหมือนกันนะจากนั้นก็ได้เริ่มใช้เงินพอต่อมาก็ตั้งเป็นมูลนิธิแต่พอมูลนิธิหลวงพ่อก็เสนอว่า ถ้าว่าเป็นชื่อของหลวงปูเ่เทศเทศรังสีเนี่ยคือเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอีกทีหนึง่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยตั้งชื่อหลวงปู่มั่นเลยดีไหมเพราะจะได้กว้างขวางในบรรดาศิษย์ทั้งหลายแล้วก็ขออนุญาตจากทางหินมักเป่งขออนุญาตจากศิษย์ยาวนุศิษย์ของหลวงปู่เทศด้วยทางลุกศิษย์ของท่านก็เห็นด้วยเพราะว่าถึงยังไงหลวงปู่เทศก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอยู่แล้ว ยกให้ครูจะเป็นอะไรไปก็เลยยกให้เป็นมูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโตดูแลสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อเป็นประธานมาได้สองสมัยแล้วนี่เป็นสมัยที่สองก็ดูสึกว่าประสบสำเร็จใครข้าว่าไปตามเป้าหมายครูบาอาจารย์พระสงฆ์ไปเจ็บใครได้ป่วยก็นั่นแ่ะ พระสงฆ์ศรัทธาญาติโยมหมอของทางหลายก็ได้ดูแลรักษาผ้าป่วยอย่างท่านเจ้าคุณอุดรเดี๋ยวนี้กัเป็นปีที่ 4, 4ีสปีกว่าแล้วไปป่วยอยู่ที่นั่นก็หมอเขาก็รักษาถ้าว่าอยู่ในวัดหรือว่าอยู่ในบ้านของเราใครจะเป็นผู้รักษาจะพิกจะดูแลอย่างไงมันก็ไม่เหมือนอยู่กับหมอเพราะฉะนั้น ที่ครูบาอาจารย์ไปอยู่อย่างนั้นมันก็สบายใจในระดับหนึ่งถ้าหากว่าผู้ที่ลุกสิทธิลุกหาที่ไม่เป็นหมอแต่หลวงพ่ออินนี่นะที่พูดทางนี้ท้งนั้นอนะ่ะไม่อยากจะเข้าไปนอนนนะโรงพยาบาลนะถึงอย่างไงตายในวัดดีกว่าถึงขาวอย่างไงก็เนี่ยเอาหมอดูดูเท่าที่จะรักษาได้ช่วยๆกันดูในระยะหนึ่งแล้วกันนั่นนะ่ะเดี๋ยวก็จะหมดไปเอง หลวงพ่อไม่ได้วิตกกังวลในตัวเองแต่พูดทางนี้ทางนั้นก็คล้ายๆกับว่ามองดูให้สําหรับครูบาอาจารย์ที่บางท่านก็เป็นเอามาพิกเอามาพาดเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพของท่านก็ไม่ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือท่านยังไม่พระสังขารท่านก็อยู่จะป่วยทํำยังไงถ้าอยู่ในวัดก็ ไม่มีใครรักษาเท่าที่ควรเวลาเพิกร่างกายผลสุขกับเป็นแผลกดทับเป็นแผลเน่าเปื่อยมันน่าอุดสูดูได้สำหรับผู้ที่เข้าไปเห็นหลวงพ่อเคยไปเจอไปพบเนี่ยแหละอันนี้หลวงพ่อคิดว่าน่าถ้าเป็นมูลนิธิดูแลดูแลพระสงฆ์ก็งคงจะเกิดประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละโรงพยาบาลศูนย์อุดรของเราหลวงพ่อก็ย้ำแล้วพูดอีก ว่าเราถ้าจะให้ทางอื่นเข้ามาทําหรือว่าลูกศิษย์ลูกหากลุ่มของหลวงตาเข้ามาทําก็คงจะเกิดได้ยากเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นช่องทางพราะเคยทํามาที่ขอนแก่นแล้วหลวงพ่อก็เลยเออหลวงพ่อจะเป็นเป็นมูลนิธิของหลวงพ่อก่อนชื่อของหลวงพ่อก่อนแต่ถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้า ถ้ามูลนิธิของหลวงตาเกิดขึ้นมูลนิธิของเราชื่อของหลวงพ่ออินก็ยบเข้าไปในมูลนิธิของหลวงตาเลยเหมือนกับตะก่อนมีทุนนิธิของหลวงปู่เทศเนี่ยพอหลวงปู่มั่นมาก็ยกรวมกันเป็นมูลนิธิของหลวงปู่มั่นไปเลยอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นแหละหลวงพ่อคิดคิดไว้อย่างนั้นแต่ถ้าว่า เราจะเอาหลวงตาขึ้นมาเลยบางทีก็มีผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยนะกลัวจะเอาชื่อหลวงตามาขายอยู่ขายกินเล่เรียอะไรหาเงินผู้คิดอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นก็มีเพราะนั้นหลวงพ่อเองเอาไม่เป็นไรถ้าจะขายหลวงพ่ออิน <c oughs> ก็ขายที่เพราะว่าหลวงพ่ออินมองมองอยู่ใครจะขายไปท่าไหนขายอย่างไร ถ้าขายเป็นธรรมเพื่อสาธารณะเพื่อการกุศลเพื่อพี่น้องประชาชนหลวงพ่อก็ยอมแต่ถ้าว่าขายเงินเข้ากระเป๋านะันอันนั้นเออหลวงพ่อทาใจไม่ได้ยอมไม่ได้อันนี้หลวงพ่อคิดว่าสาธารณประโยชน์สาหรับพระสงฆ์หลวงพ่อเออไม่เป็นไรชื่อหลวงพ่อเป็นมูลนิธิเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธก็เกิดประโยชน์ต่อ วงการพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการทําคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองถ้าหาว่ามันดูดูแล้วท่างว่าพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยรบกวนชาวบ้านจนเกินไปอย่างที่หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็อย่างคิดเออ เป็นไปได้เลยพระสงฆ์มาป่วยในโรงพยาบาลพอหายจากป่วยแล้วเงินที่จะกลับวัดก็ไม่มีเพราะปางวัดมันก็จนจริงๆผลในสุดพยาบาลก็ได้แชร์เงินกันออกมาคนละห้าคนละส0เพื่อเป็นเงินค่ารถนำหลวงปู่หลวงตาหลวงพี่หลวงอากลับวัดเ็ได้ยิน หลวงพ่อว่าไม่น่าจะเกิดที่เมืองอุดรเมืองอุดรเป็นเมืองพระพุทธศาสนาเป็นเมืองของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าว่าพระสงฆ์ผู้พอที่จะเป็นไปได้พอที่จะเป็นไปได้ก็น่าจะมองมองดูในจุดที่มันด้อยอยู่หรือว่าขาดตกบกพร่องอยู่น่าจะช่วยกันดูเพื่อดูแลพระสงฆ์มูพวก ที่ทยังยากยากจนอย่างที่อย่างที่ว่าเนี่ยขนาดจะกลับไปวัดก็ยังไม่มีจะถุกปัจจัยค่ารถกลับไปถ้าไม่ว่ายากจนเราจะว่าอะไรเนี่ยแต่ขนาดเราเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดเราไม่มีขนาดนั้นเราพร้อมที่จะช่วยสวงเคราะห์อนุเคราะห์ได้ควรจะมีกองทุนกอ้กอนก้อนนึงเพื่อมาดูแลพระสงฆ์จุดนั้นสหธรรมิกจุดนั้น บางท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ยากจนเห็นไหมพระในครั้งพระพุทธเจ้าพระติสระตั้งแต่เกิดมาก็เป็นคนยากจนหาเลี้ยงชีพก็ายากจนไม่เคยอิ่มเลยตั้งแต่เกิดามาอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่พาไปขอทานเงไม่มีใครทําบุญทําทานอขอทานก็ยากอีกอพอเป็นเด็ก ขึ้นมาพอที่พ่อแม่จะวางได้พ่อแม่ก็เอ้ยลูกเอ้ยตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องพ่อแม่ก็อดอยากด้วย เ, เกือบจะไปหาขอทานก็ไม่มีใครที่จะให้เพราะลูกอยู่ในท้องจนเป็นหนุ่มเกิดออกมาเขาจนไล่ออกจากหมู่บ้าน เ, เขาแยกกันมาแล้วก็ไล่ออกจากหมู่บ้านชัดเจพเนจรก็มีแต่ความ หิวโหวอยู่ตลอดทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกด้วยแต่บัด น, นี้ลูกก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะเลี้ยงตัวได้แล้วเอาเถอะลูกไปหากินเถอะนะแม่จะไปตามลําพังนั่นแหะคนที่ทำกรรมท่านที่ทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตนะ่จากนั้นท่านก็ชัดเจปเนจรไปเรื่อยหาขอทานอยู่ที่ไหนก็นั่นมีเสื้อผ้าขาดคา ด, าดวินวินใช่มมี อหม้อทกวันก็นคงจะเป็นหม้อโลหูขาดะเออถือไปโดยไปขอกินตามมีตามเกิดไม่เคยอิ่มออพอไปเห็นพระสงฆ์พระสงฆ์เห็นบวชไหมวะถ้าจะจะให้ผมบวชผมก็ไม่มีอะไรครับผมก็อยากจะบวชอยู่เอาบวชก็บวชพระสงฆ์ก็เลยบวชให้ออพอบวชได้แล้วเอาบริขาร กางเกงตัวเองเป็นเนบไว้ต้นไม้กับมอโลนะจากนนก็นมาบวชบวชกินอาหารอิม่มหมีผีมันขึ้นมาแล้วกันนะ่ะไปบินธบาต ท, ที่ไรไปทางหน้าเขาก็ไม่เห็นไปทางหลังอาหารก็หมดอยู่ตรงกลาง เ, เขาก็กูกูกักัก เ, เขาเตรียมนะตัวเองก็เดินผ่านท้าสุดไม่เคยอิ่มเลย จนวันหนึ่งพระษาริบุตรพระสงฆ์ทั้งหลายก็ทราบว่านัอท่านองค์นี้น่ะพระติดสาเนี่ยตั้งแต่บวชมาเนี่ยอาหารไม่เคยอิ่มบางทีหมูเอาอาหารใส่บาตรให้พอจะนั่งฉันบางทีก็อาหารก็หายไปบางทีก็มัานหล่นไปมลุกตุกตักล้มกระจายไปบาตหลุดเัมืนกันภาษาริบูดลูกศิษย์ของเราเนี่ย เอาเถอะวันนี้เราจะให้กินให้อิม่มนะท่านว่านะออท่านก็ไปนั่งท่านก็คงจะนั่งยองย่อเหมือนหลวงพ่อคูณนี่มั้งจับขอบบาดทีนี่ตั้งเสยฟ้าบาดไม่ให้บาดหลุดเอาฉันให้อิ่มพระองค์นั้นกับอาจารย์จับขอบบาดให้นั่งยองยอเหมือนหลวงพ่อคูณก็นั่งห ม, ม่มอเมาห ม, ม, ม, ม, ม, ม่อมเมา่อมอิ่มเหมือนกันเถอะ ฉันข้าวจนอิ่มอพออิ่มเสร็จแล้วก็กราบพระสารีบุตรโอกระผมข อ, อกราบลาปรินิพานแล้วกระผมท่านได้สาเร็จนะไม่ใช่ธรรมดาน ะ, ะขนาดได้สําเร็จมรรคผลนิพานขนาดนั้นยังอดอยากหเห็นไหมน ะ, ะเพราะนั้นความอดอยากจุดนี้นะมันเป็นพะกรรมกรรมคือการกระทําในอดีตหรือว่ากรรมขี้เกียจทําบุญทำทานนะคนขี้เกียจทําบุญทํำทานนะั้น ไปที่ไหนมันอดมันอยากทํามาค้าขายก็หลุดไม้หลุดมือเพราะเหตุไรเพราะว่าอเ น, นิสงสานไม่มีเ น, เน้เมื่อท่านได้สําเร็จพระอรันท่านเลยท่านก็ผมขอลานิพพานเออเอาไปตามการอันควร น, นั่นแหละแปลว่าอิ่มอิ่มครั้งวันสุดท้า ย, ยตัวเองจะปรินิพพานเมื่อท่านจะปรินิพพานนี้ผลที่สุดก็ท่านขอปรินิพพานในวันนั้น พระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามเอ๊ะพระติสานี่ตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนวะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินข้าวอิ่มท้องจนจนพระสารีบุตรไปนั่งนั่งยองๆเหมือนหลวงพ่อคูนี่จับขอบปากบาทให้ฉันอาหารอจอค่อยอิ่มเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ตายเขาจะไปเกิดไหนนะนี่ถ้ะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าปรินิพานแล้วเอ้านิสัยมักผล พานธปรินิพานคือเป็นพระอรหันแล้วเนี่ยทำไหมท่านยังอดอยากขนาดนั้นท่านบอกว่าอดีตตกรรมของเขาเขาหลังแกเบียดเบียนพระรอรหันคล้ายว่าเขาจะทำบุญกับพระอรหันเขาฝากอาหารมาจะไว้พระอรหันตัวเองไปเททิ้งจะให้กินยังไงถ้าพระองค์ได้กินแล้วมันจะอยู่ในวัดของเราเนะีน่ยพระอิจฉาพระไม่ใช่ธรรมดานะกรัทาญาติโยมนะ ไม่ใช่ธรรมดาพระอิจฉาพระนี่ไม่ใช่ธรรมดาคือพระพระหันธรรมภาักดิวัดเนี่ยธรรมภักดีวัดท่านก็ญาติโยมก็โยมวัดก็มาเห็นโอ้พระองค์นี้นิสยัยกิริยามารยาดีมากมากน่าเคารพนับถือเลื่อมใสจริงจริงข่าวปณิมนพระคุณท่านไปปิฏฐาบ้านผมกับเจ้าอาวาสณนะวันพรุ่งนี้อทีนี้พระอราหันต์ท่านมีญาณรัตนะใช่ไหม ท่านก็ดูกลางคืนเป็นไงเจ้าอาวาดเป็นไงพอเจ้ า, าวาดได้ยินเนี่ควันออกหูเลยทีนีโอโมโหถ้าหากว่าให้พระองค์นี้อยู่ในวัดไม่ได้แล้ว เ, เดี๋ยวเขาจะล้าหน้าคาข้าเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นหัวข้าแล้วนะยเจ้ า, าวาดนะคิดเนี่ยไฟลุกทั้งคืนเลยงั้นแติพระหันท่านมองเห็นไม่ได้ถ้าเราคืนอยู่ที่นี่ พระองค์นี้ก็คงจะไปนรกหลุมลึกพอสมควรเอ า, ถาเถอะเราหนีดีกว่านะอาพอท่านมียานรัศนะใช่ไหมจากนั้นถ้ากันหนีกลางคืนเลยเพรุ่งนี้เช้าองค์นี้ก็จะไปบินทบบาทนะตั้งที่จะไปเรียกนะเห็นเงียบไปท่านครับไปบินบาทนาะใดเวลาแล้วครับอกับโพลในสุดเนี่ยเอาก็เอานิ้วมือไปดีดละขังให้สันยานให้เขาพอว่าฆ่าตีละรังอยู่ แต่พระองคนั้นมันนอนสลบทร้ที่ไหนก็ไม่รู้ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ในพอดีระครังตัวเองก็ไปละ่ะไปวินรบัดไปถึงบ้านโยมโยมเอา้าพระคุณท่านโอ้ยพระที่มาไม่หวานไม่ไ ม, ไม่มีเรื่องไม่ได้เรื่องนอนเดยวไปตื่นอยู่สลบทร้าที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งที่เคาะระครังก็ไม่ได้ยินนะเคาะระครังเอานิ้วมือเคาะใช่ไหมละ่ะนี่แหละคนหาเรื่องใสียการมันเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะอคนหาเรศหาเรื่องใสียกันเนี่ย คนอิจฉากันมันเป็นอย่างนั้นพอเสร็จแล้วก็ไปบินถวายกลับมาเออพระคุณท่านแต่ท่านคงจะเดินทางไกลาทางเหนื่อยมั้งกระผมขอฝากอาหารไปถวายท่านด้วยนะเนี่ยแเผื่อท่านตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้ท่านถวายแทนผมด้วยนี่ถท่านก็ฉันเรียบร้อยแล้วเออเก่งใจโยมเลยพอได้มาถึงเครึ่งทางแล้วก็เฮ้ยถ้าเราเอาอาหารดีๆอย่างนี้ไปให้พระอุนิชฉันเนี่ย มันก็คงจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกเราเททิ้งเีดีกว่าไม่ให้พระองค์นั้นแดกหาละไรคงจะลักษณะอย่างนั้นแหละเพรานฉะนั้นวพวกคนโมโหใช่ไหมล่ะกิเลสใช่ไหมล่ะก็เลยเททิ้งซะที่นี่ไม่ถวายอาหารให้ท่านไม่ไปถวายแต่ในพระอรหันต์ท่านมียานรัศนะท่านท่านมองดูแล้วโอ้พระองค์นี้ถ้าอยู่ต่อไปนะคงจะสร้างบาปกรรม หนักขึ้นไปเรื่อยๆท่าเลยหนีกลางคืนนะพอนี้กลางคืนแต่ในพระองค์นี้ก็กลับมาจากที่ฉันพอที่ฉันเสร็จแล้วก็เดินเดินน้อมนมมองมองเอ๊ะไม่ใช่จะตายอย่างในกุฏิแล้วทำไมมันเงียบนักจังหวเะเอ็คงจะนอนไหลาตาย้วมัดหนิทำไมเงียบนักก็เลยเรียบเรียบเกียงเกียงพอขึ้นไปดูที่ไหนได้เห็นในกุฏิเปล่ากุฏิ ว่างเปล่าก็เลยคิดในใจขึ้นมาเอจะเป็นพระหรหันต์หรือเปล่านะมียานารสนะัสนะหรือเปล่านะท่านจึงรู้ว่าเราไม่พอใจท่านก็หนีไปเลยนะจากนั้นผมทำใจไม่สบายไม่สบายใจไม่สบายใจในจิตในใจว่าตัวเองนี่ทำไม่ถูกนะผลใีสุ่ก็เลยตายจากชาตินั้นไปสู่นรกผอพ้นจากนรกมาเนี่ยเกิดมาพบใดชาติใดก็เป็นคนอดอยากมานี ขนาดไปเกิดเป็นคนจันทานในตระกูลหนะ้าร้อยนี่ยพอเข้าไปในอยู่ในท้องแม่เถนะคนในตระกูลนั้นแปลว่าหาขอทานไม่ได้ไม่มีคนทำบุญทำทานทั้งตระกูลเลยเข า, าเอ้มันเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยเอาแยกจับฉลากแกกพวกคือห้าร้อยใช่ไหมล่ะก็แยกกันคนละสอง้อยห้าสิบไอ้พวกเือสองอยห้าสิบ พวกหพวกสองอยห้าสพวกเนี่พว ก, 250, พว ก, พวก 250, ที่องอยห้าสิบที่ที่วิญญาณไี่มาเกิดอดอยากแล่นแขนมากกว่าเก่าอีกแต่พวกนั้นสบายมีอยู่มีกินเออเ อ, อพวกเรามันคงจะมีคนกา ร, รักกินอีกมังเกิดในสระกุลแบกเอกสอง2้อยห้าสิบใช่ไหมก็แบ่งได้คนละสองร้อยีอ่สิบห้าไอ้พวกที่สองยี่สบหาหนึ่งหากินได้สะวกสบาย แต่2 2งยี่้าเนี่จนอีกอย่างเก่ายิ่งเข้มข้นขึ้นมาอีกเลผลรู้สึกแบ่งอีกแบ่งออกแบ่งออกจนรู้ว่าครอบครัวไหนที่เป็นการักินีที่นี่เขาก็เลยไล่ออกจากหมู่บ้านของเขาแต่ไหนแต่ออกปลกจากหมู่บ้านของเขาแล้วก็ชัดเชยปเนจรไปเรื่อยไปหาขอข้าวจากที่ต่างๆไม่มีอยู่ไม่พออยู่พอกินอย่างที่ว่านีนะ่นี่แหละ อันนี้แหะคือกรรมกรรมคือการกระทาถ้าทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรถ้าทำดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรกรรมชั่วอย่าทำเลยดีกว่าเพราะคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะพวกเราฟังเอาไว้นะต่อ น, นี้ไปรับพร